แต่อานาจของความดีความชั่วที่มีในจิตแต่และดวงละดวงนี่เป็นของสาคัญมากเพราะฉะนั้นคำสอนจึงไม่ปราศจากโลกที่เต็มไปด้วยความร้อ น, นี้ให้เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟหากไม่มีศาสนาเลยแล้วมันก็เหมือนกับไฟไหม้บานไหม้เรือนไม่ประเทศเขียดแดนไม่มีน้ำสำหรับดับไฟันเอง ก็มีแต่ความที่ผายผนปีกโดยถ่ายเดียวหาสินใดที่จะมีชีวิตดีไม่มีถ้ามีน้ําดับบ้างจุดไหนที่น้ําดับไปถึงน้ําสามารถดับไปได้เพราะน้ํามีจํานวนมากที่นั่นก็ปลอดภัยไปยังเหลือทีวิตเป็นสาระพอที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้แต่สถานที่ใดไม่มี น้ำดับไฟเลยปล่อยให้มันไม่เตงมที่เต็มฐานเต็ม ก, กำลังของมันตรงกระทั่งหมดเชื่อลแล้วแล้วดับไปเองนั้นสถานที่เม น, นั้น้ามันมีสิ่งไปเลยลว่ะจิตใจของโลกก็เหมือนกันตามวิชาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟโลภะเห่านี้ให้ดับหรืออย่างน้อยก็ พอเบาบาเหมือนกับโรคที่มียาแก้ mm hmm. ก็พอทำเนาผูกเป็นก็มีผู้ตายก็มีอิสุพิสัยของหยุดของยาของหมอก็ตายไปที่ยูนในยิสัยของหมอของยาก็าผ่านพน้นความตายไปได้โรคภัยก็หายมีจิตใจดวงใดที่ อยู่ในวิสัยของธรรมจะซึมราบเข้าถึงจิตใจอย่างนั้นก็พรมีน้ำดับไฟแต่จิตใจหดล่ทารุณเชียจริงๆมืดหนาสาหดทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนมีแต่ความมืดตื่นเต็มหัวใจไม่คิดถึงบุญถึงบาก ไม่คิดถึงนาโลกสวรรค์ไม่คิดถึงความผิดความถูกประการใดนอกเหนือไปจากความต้องการทังตนที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นที่จะต้องที่ต้องการอย่างนั้นซึ่งไม่คำานึงถึงสิ่งที่กล่าวนั้นเลยนั่นแหละเป็นกิจที่ร้อนมากที่สุดจะทำให้ได้อย่างใจสมใจเจ้าของขนาดใดก็เถิดเพราะ ใจนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นไปไฟด้วยเชื้อไฟมันอยู่จนหาที่น้ำแทรกเข้าไปไม่ได้แล้วใจดวงนั้นจะต้องร้อนมากความโลภต้องเกิดขึ้นมากทำตามความโลภมากทำตามราคะตัณหามากไม่มีความลดด่วนกานทันไม่มีการแก้ไขหรือต้านทานกันบั่งเลยทำตามความรุ่งความหลมของตน ไม่คิดสำนึกในจิตใจเลยว่านี่ถูกหรือผิดป้อยไปตามยะถากรรมคือตามอำนาจกิเลสตัณหาอสระมันถูกมันล่าไปจิตตรงนั้นเป็นจิตที่ร้อนมากที่สุดแม้จะอยู่ในแดนมนุษย์ก็าตามอยู่ในสถานที่ใดก็าตามจะอยู่ในหองประส า, าทราชมุคลกิจก็ได สมมติทฤษฎีสันตันรอกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสง่าพาเพผยเป็นสิ่งสถานที่อยู่ของผู้ทรงเกียรติก็ตามก็มีแต่ชื่อว่าเกียรติเกียรติเท่านั้นแต่ไฟแบบเผารน้นจิตใจตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงที่ว่าไม่ได้เพราะไม่มีน้ําดับไฟคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมชาติที่จําเป็นมากต่อบร ร, รดาจัดเช่นเดียวกับน้ํามีความจําเป็นต่อการดับไฟ หากวาสานาในปราศจากโลกไปเมื่อไรโลกการใดก็าตามโลกใดก็าตามไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นครื่องคองุ้มครองป้องกันเพราะการปฏิบัติของตนบ้างแล้วไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกไม่มีศาสนามีแต่หัวใจที่เต็มไปไ ด, ด้วยฝืนไม่ไฟคือกิเลสประเภทต่างๆหมุมล้อมอยู่จะหาความสุขไม่ได้ นี่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสอนธรรมะอย่างเข้าที่จิตของสา ร, รโลกเป็นอันดับหนึ่งไม่มีอันใดเป็นอันดับหนึ่งนอกจากทมเพื่อจิตใจโดยแ ท, ท่เดียวเท่านั้นกายวาจาเป็นเครื่องมือกายวาจาเป็นห่วงืิจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคอยรับใช้เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้น ไจคือของจำเป็นดังที่ทานกาวไว้ในธรรมบทว่ามนโนปุพังกรรมาธรรมามนโนเศษฐามนโนมายาแล้ท่านแยกออกไปสองอย่างนา่นคืาาระสันเนนนะทัสยากโรติวาเนี่ยแล้วอันนึงจะแยกแล้ะนัาาะ้นจะจะเจนะปุุเทนะนัน ากาติวากโรติวาตต้นต้ต้นนางลุกขึ้นไอ้นางลืมตอนลงกิริยาใหญ่แต่แปลความก็ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับทางทั้งหลาย ใจมีทำแล้วจะพูดก็าตามจะทำก็าตามย่อมมีแต่มีแต่ความเป็นชีวิตมงคลเป็นความดีทั้งนั้นแต่ถ้าใจได้เสียใคอย่างเดียวจะพูดจะทำอะไรก็มีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนเหมือนกับลอยเตียงติดตามลอยโขนั้นนั้นคือลอโขขูเทียมแอบงานเรื่องทุกข์คืสิ่ที่เป็นผลนั้น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 ศาสนาดิตามะตัมวามังศาสนาดิตามพระตัมเนรหรือศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกร้ารหชการท่านบําอยู่กับพระพุทธเจ้าประทำพระสงฆ์หรือบ้างเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดน้ํานั้นเป็นของกลางใครนําไปใช้ประโยชน์ในทางใดก็ได้จะนํามาดักไฟก็ได้ทําเป็นสมบัติกลางสําหรับโลกผู้ใดมีความต้องการความร่มเย็นความถูกต้องดีงาม <c oughs> ในความเป็นอยู่ตลอดความประพฤติหน้าที่การงานอาศัยธรรมเป็นแนวทางโดยอาศัยธรรมเป็นเข็มทิศต่างเลยปุณณยอมไม่ค่อยจะผิดพลาดความฉลาดจะนอกเหนือไปจากธรรมก็ไม่มีปัญญาออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากมาแปะสติความรู้สึกรู้สึกตัวอยู่เสมอในอาการเคลื่อนไหวั้งใจของกายวาจา นี่ก็คือมรสัมมาสติว่าอย่างไรล่ะปิยการนั่นา ก, าาการพูดการทำที่เป็นไปได้วยความราบรื่นดีงามก็ซเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนบอกจากมากบอกจากธรรมตามความกัปปสิจาวจรไม่มีที่จงไหนพอที่จะำตำหนิจีเบียคนจะดีคนจะเลว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 ได้ตามส่วนของการกระทำดีและชั่วหนักเบามากน้อยอย่างไรเพียงเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะว่าดีเลยทีเดียวไม่ได้ดีก็เพียงแต่ว่าได้รับผลของกรรมเก่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ผูเุเพคาตะปุญญาตาได้เคยสร้างส ม, มุนลมคุณงามความดีไว้สมควรมาเป็นมนุษย์หน้าและมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของดีซึ่งเป็นผลของอดีต วอนาคตที่จะดีต่อไปหรือหลักปัจจุบันซึ่งเอาตัวของเราเป็นประกันที่จะดีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติการศึกษาอบรมแนวทางที่ถูกต้องดีมาซึ่งไม่นอกเหนือไปจากธรรมนี้เลยธรรมของพระพุทธเจ้าทาให้คนดีดีไปโดยลำดับเป็นขัน้นเป็นตอนจนกระทั่งดีถึงขัน้นดีเล ไม่มีที่ตําแหนิว่าทําไม่สามารถจะทําคนให้ดีได้นอกจากคนไม่สามารถจะนําธรรมมาปฏิบัติต่อตนให้ดีได้สมธรรมเป็นของวิเศษเท่านั้นคนจึงจะไม่ดีดังาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ปัจจุบันนี้คือสมณโคดมของเราพระองค์ทรงประกาศธรรมหรือผลสัตว์ พ้นจากโอกาสงสารนีเป็นมนุษย์ชั้นเยี่ยมมาเท่าไหร่แล้วคืออรหัตตบุคคลมีพระสงฆ์สาวกเป็นต้นรองลงมาก็สกิทาคาแล้วก็อนาคารองลงมาก็สกิทาคารองลงมาก็พระโสดาบันรองลงมาอีกก็กณยานชนอืม ท้แล้วตั้งแต่รับการจำระาศาสารสางหรือดัดแปลงแก้ไขตนเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิแห่งกำลังความสามารถของผลทั้งนั้นนีเรียกว่าผลดีได้เพราะทำไม่มีทรรมเครื่องประพฤติคนจะดี เ, เฉยๆเป็นไปไม่ได้ทินิยนเข้ามาหาหนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติของพวกเราเรามาบวช ทรงผ้ากาสาวพัดหนุห่ ง, งเหลืองผมเหลืองสีแก่นขนุนสีกรกตามที่ขันทรงดำเนินมามีพระพุทธเจ้าในสาวโลกทั้งหลายซึ่งมีสีกระสีแก่นขนุนกาสาวะแปลว่าสียอ้อมน้ำฝ่านเป็นสีเหลืองจริงๆดังที่เราใช้ยอยู่ทุกวันนี้ เป็นสีเทโลกเขาไม่ต้องการแต่เหมาะสมกับความเป็นสมณะอย่างดีแล้วเรามาบวชนุ่งหงผ้ากาสาวพัดที่เรียกว่าเป็นผ้าย้อมฝาดนี้ก็ตามแต่กิเลสไม่ได้บวชกับเรากิเลสอยู่ภายในใจใเราจะทำให้เราดีได้อย่างไรถ้าไม่แก้กิเลสตัวชั่วตัว เร็วสาต่ำช้าตัวเป็นค่าสึกต่อธรรมอยู่ภายในใจไม่ว่ากิเลสประเภทใดต้องเป็นค่าสึกต่อธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขกิเลสประเภทใดก็ตามตั้งแต่ประเภทหยาบขึ้นไปถึงประเภทกลางละเอียดละเอียดสุดจ <c oughs> ึงต้องทําการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยบางครั้งถึงกับ เอาตายยิ่เข้าว่ากันเลยกิเลสไม่ตายเราก็ตายอาเราไม่ตายก็ให้กิเลสตายอย่างน้อยให้กิเลสท่ายจากเราไปท่ายแล้วก็แพ้ตายทิดหายหนี่เพื่อทําความดีแก่ตนเพื่อความเป็นคนดีกิเลส <c oughs> นับตั้งแต่วันบวชมากิเลสไม่ได้บวช บวชตั้งแต่เราคำว่าบวชแต่ว่าเว้นในจิตที่ควรเว้นปฏิบัติในจิตที่ควรปฏิบัติดําเนินเราเป็นนักบวชจึงต้องอาศัยหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องดําเนินเพราะเป็นสิ่งที่ควรดําเนินสําหรับนักบวชเราจะพ่ออย่างยิ่งพระวินัยทีนี้เมื่อดําเนินตามหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยนี้เป็นกฎเพื่อปราบกิเลสประเภทหยาบ ซึ่งจะแสดงออกมาอย่างผ่าพโผนในโลกเห็นได้อย่างชัดเจนให้อยู่ในกรอบแห่งพิทธในซึ่งเป็นกฎข้อบังคับสําหรับปรากยิเลสประเภทใหญ่าทางกายวาจามีใจเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยทำนั้นเป็นเครื่องปราบตามภาจใจยนในจิตใจยิเลสภายในจิตใจรุ่นรุวน การต่อสู้การปราบปรามีิเลกประเภทใดก็ต่ามต้องเหมือนกันกันกระเพาะต่อสู้แต่ต่อสมมุติว่าเขาเล่นกีฬาชกมวยกันก็เอาขนาดถึงตายก็มีในบางครั้งเพราะต่อยกันอย่างหมดกำลังทุกคนผลที่เล็ดลอดออกมาจะาแพ้หรือชนะค่อย ปรากฏทีหลังในขณะที่ต่อสู้กันนั้นไม่ได้คำหนึ่งถึงความแพ้ความชนะมากไปกว่าความเอาให้เต็มเหนียวพอตายพอตา ย, ตายเรียกว่าสุดกำลังของทุกคนที่ต่อสู้กันเลยนะนี่เป็นข้อเทียบเทียมสำหรับผู้ปฏิบัติกิเลสเราถือเป็นข้าศึกประเภทหนึ่ง แต่ละประเภทประเภทธรรมะเป็นเครื่องมือทั้งเป็นกำลังใจธรรมะมีหลายแง่ยหลายกระทุ่หลายด้านเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสนับสนุนเราก็อหมนึ่ง <c oughs> เป็นปัญญาสติเป็นเครื่องมือว่าตันกับที่นี่ตามต้นกิเลสหุดคุยกิเลส คุ้ยเคียขุดค้นขึ้นมาอยู่ลึกอยู่ตื่นขนาดไหนหขุดค้นขึ้นมาจนได้ด้วยอานาจของปติอานาจของปัญญาศรัท ธ, ธาความเชื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเชื่อว่ายังไงกิเลสจะต้องอยู่ในเงื้อมือของเราันได้วิริยะหนุเเนเข้าไปเพียรเข้าไปไม่หยุดไม่ถอยนี่คือความทำตัวให้เป็นคนดี ทำพระธรรมเนรของเราให้เป็นพระเนรที่ดีทั้งทางพุยในทั้งทางธรรมทางพุยในดีสวยงามทางกายทางวาจาที่แสดงออกทางธรรมดีด้วยความสงบเยือกเย็นมีความสาาาั่นหนาผ่าเผยอยู่ภายในใจิตใจมีสติสตังมีปัญญาเป็น ร, รักษาใจเสมอวีริล์ตัว ตัวอะไรก็ตามย่อมเป็นภัยต่อเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เรื่องการปราบตามกิเลสจึงไม่เว้นว่ากิเลสตัวใดจะควรปราบปรามเมื่อไรแต่ปราบตามทุกขณะที่เราประกอบความภากเพียงหรือเรียกว่าที่ต่อสู้กัน <c oughs> ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการต่อสู้กับกิเลส แบบลูกศิตฐาคตขอปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ตน้นกัญญาณชนก็กัญญาณนะภิกษุนั่นเริ่มตน้นแล้วออกจากนั้นก็เป็นอริยะสตพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาคาเป็นลำดับลำดับ เพราะการแก้ไขผดอถอนหรือปราบกาบราที่เด็ดได้เป็นขั้นๆตามกำลังความสามารถของเราผลสุดท้ายก็ได้ใช้ชนะอย่างเต็มูมิคืออาหัตตะผลหรืออาหาตตะบุกธรรมที่กล่าวทั้งสี่ขั้นนี้ห้กับภณิยานถูกไมไม่ได้นอกเหนือไปจากความพยายามของพวกเราซึ่งมีหลักทมหลักวินัยเป็นเครื่องปราบปรามและเป็นเครื่อง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 สมุทัยมีอยู่ที่ใจส่วนกายมีสาเหตุเป็นมาเพราะารอาหารชนิดนั้นช น, นิดนี้ผิดท่าผิดขันแล้วเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายเป็นค่าขึ้นมานท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสท่านจึงไม่เรียกสมุทยัยแต่สาเหตุที่ทาให้ท่าขันมีคนที่การได้นั้นไม่เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจากโตยิ่งกว่าเรื่องของสมุทยัยซึ่งเป็นค่าสิท ต, ต่อจิตใจอย่างยิ่งฉะนั้นท่านจึง สอนว่านแสดงเรื่องของสมุทรไทยได้แก่อะไรให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรารมตัิหาเพราะวตัณหาวิถวตัณหาเป็นต้นอ่านกล่าวว่าในธรรมจักรกับภวทัณฑ ส, สุขรร า, า, านันทิราณสหนิจตาจัตเจ้าพญานินเสื่ออยู่ที่ดังกามติหาวัฒนาวิควัตติหาตัีหา น, นกามตัิหาก็คือความอยากความไข่ในการ ในสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ k a ม m a คือความใครายเราชอบใจสิ่งไหนมันก็เป็นที่เรดตรงนั้นภาวะตัณหาเราเคยทราบมาด้วยกันแล้วจึงไม่อยากจะอธิบายมากมาให้เสียเวลาทั้งเพราะว่าธรรมนั้นทั้งวิปวิปวัตนาะจะอธิบายให้ทราบตั้งแต่เกียยว่าบสถานที่อยู่แห่งสัจธรรมทั้งสีนี้คืออะไรอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าการสถานที่อื่นใดทุกอยู่ที่ใจเป็นสําคัญจึงเกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมานิโรธดับทุกจะดับที่ไหนทุกเกิดขึ้นที่ไหนนิโรธก็ดับที่นั้นยาสาเหตุที่จะทําให้นิโรธดับทุกได้มาจากไหนมาจากมรรคนะ่งมรรคได้แก่อะไรได้แก่มัรคที่มาปฏิปทา พราะนะเตณไอสัมุทธาจักกุกนิยานกินิยปสมายะอภิญญายะสัมบูทายัญบานายะสั้หวัตติเซอร์ยที่ดังคืออะไรที่นีมากคือช่วยอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร์เคลื่อนเรื่องปัญญาก่อนอื่นเพราะปัญญาเป็นผู้ฉลาดเป็นความชนะเหมือนเราทํา เหมือนในวงงานต้องหาผู้ฉลาดเป็นหัวหน้างานเจ้าคงโง่เป็นหัวหน้างานจะทํางานให้แหลกเลีวไปหมกไม่มีใครที่จะเชื่อถือและทำตามเพราะหัวหน้างานโง่กว่าลูกงานเพราะฉะนั้นหัวหน้างานใดก็ตามจีงต้องหาคนฉลาดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสแสดงถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดรอบตัวของมัจขึ้นเหมือนตกนางี่ตกล่าวไปแล้วว่าสัมมากัมมันตะเรื่อยๆไป นี่เรียกว่ามรตมีอยู่ในสาถานที่ใดมรตนี้ก็เป็นเจตสิกธรรมออกมาจากเจตสิกธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับสมุทยัยสมุทัยก็เกิดขึ้นจากชัญญยาชั้นขามีญญาณ น, นี่เนี่ยไม่เกิดขึ้นจากอะไรเมื่อเป็นปลายไฟจะ ท, ำทํำกิเลสให้เกิดขึ้นท่านเรียกว่าสมุทยัยเป็นปลายไฟที่จะระงับดับกิเลสลงไปท่านเรียกว่ามรต สติปัญญาความคิดความปรุงขึ้นมาด้วยอุบายเงียบไทยโดยประการใดก่อต่างเรียกว่าปัญญาความะระลึกรู้ตัวอยู่เสมอทัานเรียกท่านท่านเรียกสตินี่คือมรรคสติเนี่ยเป็นมรรคเกิดขึ้นจากใจตรงเดียวกันเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันบังคับใจกดขี่บังคับใจให้รับความเดือดร้อน ถ้ากดท่วงจิตใจให้จมอยู่นั้นตลอดเวลาหาทางฟื้นตัวไม่ได้ดุจเพราะฉะนั้นมารจึงเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ใจได้ดีดตัวขึ้นมาเป็นอิสระเพราะอํานาจแห่งมารเป็นผู้ชำระขัดเกลาหรือเป็นผู้ปราบปรามชะล้างสิ่งที่สกตกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภานในจิตใจแล้วนน่โรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลําดับลํำดาของ ตามกำลังของมรรคที่าำระได้มากน้อยเมื่อถึงที่ที่ควรจะดับได้อย่างเต็มที่เพราะอานาจของมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็ดับในขณะเดียวเท่านั้นเช่นพระหัตธรรมท่านดับจิตรตอาวะทั้งมวลที่รวมตัวอยู่ในมิจฉาเพียงดวงดดเดียวเท่านั้นในขณะเดียวเท่านั้น มันบอกว่านิโรธคือความดับทุกข์เป็นกิริยาอันหนึ่งเท่านั้นมาร์กเมื่อทําหน้าที่ดับกิเลสหมดไปโดยสิ้งเชิงแล้วก็หมดหน้าที่ของตนนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งสืบเนื่องไปจากมาร์กเป็นตัวเหตุดับลงไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่ดับอีกแล้วกิริยาแห่งความดับทุกข์ก็สิ้งไป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 แต่ไม่มีใครสนใจที่จะกําหนดรู้เพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสาเหตุว่าเป็นมาอย่างไรด้วยเหตุ น, นี้พระพธธุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นบทเป็นบัตรเป็นกฎเป็นเกณฑ์อันถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าทุกพึงกําหนดรู้สมุทัยพึงละนั่นท่านบอกละละสมุทัยนี้จะละอย่างไรือท่านนี้ท่านพูดย่อๆท่านตรัสว่าย่อๆกินความกว้างขวางมากทีเดียว พึงละก็ต้องละด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสําคัญเอาจะหนักแน่นขนาดไหนเป็นตายเพระาะฟาฟันนันแหลกกันลงไปมีเรียกว่าทําการละสมุทไทยทําอย่างนี้หรือทําการป ร, ราบสมุทไทยอันเป็นตัวชี้เล็ดทุกประเภทนั้นให้สูญชาตออกไปจากจิตใจหรือสิ้นชาคิลงไปจากใจไม่มีเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือการปฏิบัติมัจจิมาปฏิปทาเป็นต้นน ในโรดคือความดับทุกข์ก็ดับไปเองไม่ใช่ทำเหล่านี้จะทำงานตคนละมนล่ำมีหลาท่านแยกชื่อออกมาอย่างนี้เหมือนกับทำทั้งสีน่นี้อยู่ต่างที่ต่างเดินอยู่คนละทะวีตความจริงอยู่ในจุดเดียวกันั่ละทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นขีดใจความรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ในขณะเดียวกันกับทุกข์ที่เกิดขึ้น แล้วการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นพอแห่งทุกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุมีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจใจจึงน่งรับความทุกข์ขึ้นมาคำว่าความกระทบกระเทือนนั้นหมายถึงอารมณ์ของตนที่ไปสําคัญมั่นหมายเช่นมีผู้หนึ่งผู้ใดมาติดขินินทาแม้เขาติดขินินทามาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแลว้วก็ตาม เวลาจิตไม่ได้เสียจสาสต้นยอไม่ได้สำคัญมั่นหมายก็เหมือนก็ไม่มีพอได้ยินในขณะนั้นมีผู้ใดผู้หนึ่งมาเล่าให้ฟังก็ตามแล้วเรื่องจะล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วไม่สำคัญสำคัญที่จิตตรงขึ้นสำคัญว่าเขาว่าให้เราอย่างนั้นัน้นเกิดความโกรธความเคียดแค้นขึ้นมานี่คือสำคัญเมื่อเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาแล้ว ท, ทุกจะไม่เกิดได้เลย ความโกรธนั่นแหละทาให้เกิดทุกข์ความเกลียดแค้นนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์เพราะความสําคัญว่าเขาว่าให้ตัวอย่างนั้นนั้นไม่พอใจนะนี่คือตัวสมุทยความทุกข์ยิ่งปรากฏเช่นนี้และจะดับด้วยวิธีใดนี่เป็นเรื่องของมารคคือสติปัญญาพืน้นพจนานิาแก้ไขเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่งเป็นกิ่นหลอกลวงอืมสังขานที่เขายังไม่ได้พูดให้ฟังทั้งๆ ท, ที่เขานินทาก็นินทาไปแล้ว หรือเขาสรรเสริญยันยอเขสรรเสริญไปแล้วเราก็ดีใจปลื้มอกปลื้มใจก็เป็นเรื่องของสมุนไพรประเภทหนึ่งแต่นี่แยกเอามาพูดเพียงส่วนไม่ดีเฉยๆความจริงก็คุณทราบในส่วนที่เรารักเราชอบนั้นมันก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันอย่างตามะตันหาทัานหลักนะเราใคร่เราชอบในอิทธาลมไม่ชอบในะอ น, นิธาลมมันก็เป็นเรื่องของสมุนไพรด้วยกันทั้งสองอย่างและทั้งสิ่งเหล่านี้ก็ออกจาก ลมปากของเขาแล้วผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อเราก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่ก่อนพอมีคนมาเล่าให้ฟังความสําคัญมั่นหมายก็เกิดคิดเกิดตึงขึ้นสําคัญขึ้นในเวลานั้นก็เกิดทุกข์นในเวลานั้นเกิดกิเลส ข, ขึ้นแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมากิเลสที่ความไม่พอใจความเครียดความแ้นเกิดขึ้นมาแล้วเราค้นคว้าดูเรื่องของทั้งฐานที่มันคิดมันตึงหลอกโสของ แต่กรไม่ได้ยินมันไม่เห็นเป็นอะไรนี่สังขารมีทั้งแต่เรื่องหลอกสัญญาความหมายต่างๆมีทั้งแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นปติปัญญาตามต้อนถิง่งเหล่านี้ให้มันหดตัวเข้ามาด้วยมอบราบเข้ามาจากเหตุการณ์เหล่านั้นนี่แล้วก็เรียกว่าเป็นการระงับดับที่เลสเมื่อดับที่เลสคือความสําคัญนั่นหมายว่าเขาว่าให้ตัวอย่างนั้น น, นั้นเขายกย่องจนเอเขามิงชาจนอย่างนั้นนั้นมันก็ระงับลงมาเพราะสังขารตัวประตุงสัญญาณตัวไปหมายต่งางๆนี่ เมื่อสติปัญญาทันเหตุการณ์เหล่านี้แล้วสังขารสัญญาเหล่านี้ก็ดับตัวลงไปทุกก็ไม่มีขึ้นมาอีกเพราะสัญญาสังขาร น, นั้ น, น, น, น, ม, นมันเป็นตัวพิเดชและดับไปด้วยอํา น, นาจของสติปัญญาตามตน้นนั้นก็ดับลงไปนี่ร้ก็ปรากฏขึ้นมาในขณาดนั้นน้ายืนในฉากเดียวกันไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากนี้เลยยาคิดให้กว้างขว้างมากๆอย่าไปเที่ยวหอบ แบบแผ่นดินทั้งแผ่นโลกกรถาทั้งโลกกรถานันมันหนักเบาเบาแบบมรรคุลิพานแบบอยู่ที่น่นที่นีให้หนักไปหมดที่เลืออยู่ในหัวใจไม่คิดไม่อาจไม่ขี้คลายออกมาให้เห็นมันก็จะบบเเบะเผาลมจิตใจอยู่นั้นตลอดเลลวลาหาทางจบขิ้นไม่ได้นี่แหละเรื่องของทุกข์ทั้งหลายมนทุกข์อยู่ที่ใจเพราะสมุทัยเป็นเหมือนเช่นบรรทั ด, ดี เป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ตัดเส้นมันทัดเราไม่ได้ตัดเส้นเป็นอันเป็นเชื้อทีดให้เกิดทุกข์นี้ออกจากใจด้วยสติปัญญาประเภทใดและด้วยความเพียรประเภทใดเลยแล้วเราจะหาความหยุคดความดีความสุขความเจริญ เ, เพราะความบวชเป็นท่านี่มาจากไหนเบื้องต้นก็ได้พูดแล้วว่าการบวชมมีแต่ว่าเราบวชเฉยๆกิเลสไม่ได้บวช ด, ด้วยบวชมันได้งจึงต้องต่อสู้กับกิเลส ฟาดันทันแหลกกันอืมส่วนมากก็แพ้กิเลสกลับไปส่วนที่ชนะกิเลสจกนกระทั่งถึงพ้นเป็นอรหัตตบุคคลเป็นผู้เป็นผู้เลิศอมืมีน้อยเต็มทีอันนี้เราควรคิดให้มากสมัยพุทธกาลท่านบวชกับสมัยเราบวชนี่ผิดกันอยู่มากเหมือนกับว่าเป็นรูปลักษณะเป็นพิธีเท่านั้นในปัจจุบันนี้ นั่นท่านบวชจริงๆบวชด้วยความเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เคยอยู่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาในบ้านในเรือนในที่้ามาผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาทางใจและความเป็นอยู่ในครพพครัวาเรือนและสังคมต่างๆท่านได้เห็นมาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนเกิดความเบื่อหน่ายเน้คลายความยินดีทั้งหลายนั้นออกมาบวชบวชก็บวชด้วยศรัทธาเพื่อทา จิตใจให้หลุดพ้นจากทุกเครื่องกดทวงทั้งหลายดังที่กล่าวมาอัน ท, ที่ว่าเบื่อเบื่อในนัน้นให้ได้หลุดพ้นไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรของพระสงฆ์สาวกในครั้นประหารจึงผิด ก, กันกับการประกอบความเพียรของสมัยของพระในสมัยปัจจุบันของชาวพุทธเราในสมัยปัจจุบันนี้มากผิดกันหนึ่มากการสอนอัดสอนรำกับพระพุทธเจ้าทรงประทานอื่น การประทานธรรมะด้วยพระองค์เองนั้นือื่อได้ทองทั้งแท่งร้อยเปอร์เ็น้อยเปอร์เซ็ออกมาเป็นของขวัญหรือเป็นสิริมงคลแก่มนดาสาวกไม่ผิดไม่พลาดไม่พลาดไม่เคลื่อนอะไรทั้งนั้นเพราะทมพระองค์ทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและประกาศ ทำแก่สาวกด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังจึงไม่มีไม่จําเป็นจะต้องเลือกเส้นอันใดว่าถูกหรือผิดมีสิงจัดดื่มเอาดื่มเอาดื่มเอาเหมือหลังจากได้รับพระโอวาสจากพระพุธาทธเจ้าของอบรมแล้วเข้าไปประกอบความทักเพียรด้วยความพอพอใจศรัทธาความเชื่อความใส่ ย, ยิยะความทักเพียรเต็ม est, เม็ดเต็มหน่ความเพียรทุกประโยชน์ตเต็มไปได้วย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 สำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นป่านั้นเป็นต้นนี่ผลที่ท่านได้รับเพราะความทำจริงทำก็เป็นของจริง ผ, ผู้เทศก็เทศโดยความจริงเต็มเน็ดเต็มหน่วยคือพระศาสดาเป็นผู้ประทานพระโอาวาทเองไม่มีที่สงสัยผู้รับฟังก็เป็นผู้เห็นใจในวัจจะสงสาร ม, มาแล้วอย่างเต็มหัวใจและพร้อมเป็นภาชนะที่พร้อมมูลเต็มที่แล้ว ควรจะธรรมะอย่างยิ่งแล้วเมื่อประสิษย์พระศาสตร์ธรรมะให้ก็รับได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากนั้นนําไปปฏิบัติส่วนใดที่ยังบกพร่องต้องการอยู่ยังไม่สําเร็จตามความหมายพยายามทําตามเป็นความสามารถผลสุดท้ายาก็ยเากาะโขยอมรกรุนิพานเป็นหัวใจเป็นหัวใจกลายเป็นสาระนะของพวกเราขึ้นมาว่าสังฆังแท้นางขจามนั่นท่านพุทธการท่านบวชอย่างนั้น และทําในข้างนั้นก <sh> ับทําทั <sh> ้ง <sh> นี้อยากครับอยากเข้าใจว่าปลอมกิเลสข้างนั้นกับข้างนี้ก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนรับประเภท์กิเลสข้างนั้นก็คือกิเลสข้างนี้นั่นเองเหมือนๆกันทําข้างนั้นกับทําข้างนี้ก็เหมือนกันเป็นแต่ว่าอุบายวิธีการสอนของผู้ที่นํามาสอนนั้นจะผิดแตกต่างกันอยู่บ้างเป็นธรรมนานนี้เรายอมรับ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 เมื่อเราก็พร้อมแล้วอย่างนั้นหาเถาะสอนแสดงหาครูหาอาจารย์ก็เหมาะแล้วเป็นครูชั้นเอกถ้าลงได้ถึงขั้นบริสุทธิพุทธะแล้วเอกด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นสองเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยศรัทธาความภาคเพียรของเราเป็นเม็ดเป็นหน่วยผลจะถึงได้รับจะนอกเหนือไปจากที่ท่านท่าสาวกท่หลาได้รับนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปในรอยเดียวกัน นี่แหละข้างพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้มีแตกต่างกันก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้แต่ทีนี้แยกมาพูดถึงเรื่องการบวชในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะบวชเพื่อเป็นพิธีบวช ท, ท่านบวชทพื่บวชเพื่อตัดกามคือกามะคือความไข่ทั้งหลายออกหมดเริ่มเบื่อนหน่ายมาตั้งแต่บิดเป็นคารวาสแล้วก็มีมาเบื่อนหน่ายที่หลังก็มีมาตั้งใจจะบวชจริงจังนักก็มีแต่ เมื่อได้ฟังอับปังธรรมเพาะอุปนิสัยซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเครื่องยอมรับเป็นสิ่งที่ยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามจนได้ขันเด็จมารคผลนี้ผ่านก็มีไม่ น, อน้อยสรุปความแล้วท่านบวชในครั้ง น, นั้นท่านบวชเพื่อจะละหรือบวช ด, ด้วยความเมือนหน่ายจริงๆรงปฏิบัติเพื่อความหยุดพ้นจริงๆกลับมาสมัยปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องบวชพอเป็นพิธีไปเสียซะมากน แล้วเรื่เหมือนกับว่าบวชมาสังสมที่เลยบวชมาสังสมกรรมกรรมแม้แปลว่าความแปลว่าความไข่มันไข่ยังไงบ้างอื้ะพิจารณาคืไม่ใช่ว่ากรรมอย่างประเภทอย่างประเพณีของหญิงของชายนั้นโดยถ่ายเดียวขมากาสมาทั้งวัตถุทั้งบุคคลเป็นความไข่ได้ทั้งนั้นเหตุงเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์มีเป็นเหตุให้เกิดความรักความไข่ได้ทั้งนั้น สมรรถนะชักตั้งเป็นนั้นตั้งเป็นนี้แล้วอยากเป็นนั้นแล้วอยากเป็นนี้อยากจะเป็นบ้าบปก็มีแล้วพระเป็นไปอย่างนั้นเป็นค่าที่บวชเพื่อความทุนทุกข์ที่ไหนนอกจากบวชเพื่อความสังสมกิเลศให้โลกเขาทุเลศสงสารลึก ท, ทุเลศทุลังจนตมใจไม่ตกให้เกิดความอิดหนาหละอาใจเบือนหน่าต่อพระประเภทนั้นประเภทที่บวชเพื่อการเพื่อกรมนั้นเท่หนันเป็นประโยชน์อะไร เราพจารณให้ดีเมือไม่ได้อุตริเป็นความจริงอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติที่เห็นอยู่รู้ดูกันเหมือนบวชแบบพระพุทธเจ้าแบบสาวกแล้วทำธรรมะยอดเยี่ยมที่จะเป็นเครื่องประดับเป็นสิริมงคลในใจิตใจนั้นจะหนีพ้นไปได้จากปฏิบัติทาไปได้เหรือปฏิบัติทาคือการปฏิบัติเป็นของสำคัญมากทีเดียว พกเราตั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจเราบวชมาแก้กิเลสความไข่ทุกประเภทเรื่องของกิเลสทั้งนั้นหเห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจเสมอแล้วต่อสู้กันแก้ไขกันคำว่าพระนี่ก็เต็มภูมิแล้วแหละพระก็แปลว่าประเสริฐเนี่ยแต่ย้า้มันประเสริฐแต่ชื่อเหมือนอย่างชื่อนายประเสริฐประเสริฐที่อยู่ในเรือนจําติดคุกติดตารางอยู่ในเรือนจํานั่นมันประเสริฐทั้ง คุณภาพที่มีอยู่ในใจลํารวดมีเป็นที่เหมาะสมสถานที่อยู่เราวา宽敞กระดกส ะ, ะดวกสบายแต่กลับครงข้ามมาสมัยปัจจุบันนี่สถานที่อยู่ที่เที่ยวที่ทวิเศษของพระเรารู้สึกว่านับวันคับแท้เข้ามาทุกวันแต่เสนาธนที่อยู่ถึงหลังพระเรานั้นรู้สึกหรือหลามาก แม้แต่ว่าดาวนี้ก็ยังรู้หลาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทั้งทงที่มมขมดวดตรวดคันเพราะเล็เห็นเรื่องของพุทธการอยู่แล้วท่านต้องรู้หลาจนไดน้มันก็มาเองนั่นแหละเรื่องนี่ถาว่าเราอนุญาตให้เขาสร้างพุทธิสถานที่อยู่ของพระตลอดถึงทาง ในครัวส่โยมบรรดานด้วยแล้ววันนี้จะรูหราที่สุดกุติลังแล้วเป็นแสนแสนก็มีจะมีแนะ่แนะ่จะว่าเป็นลังเป็นหมื่นหมื่นเลยลังเป็นแสนแสนก็มีโบสถ์ก็ไม่ทราบจะกี่ล้านถ้าเราจะให้เป็นไปตามความต้องการของศรัทธาทั้งหลาย เราพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเกี่ยวกับธรรมะแม้เช่นนั้นก็ยังรู้สึกว่ารู้หลายปีนเกี่ยวกับธรรมปีนเกี่ยวกับขั้งพุทธกายดูไม่น้อยเหมือนกันนั่นท่านดูด้วยความภาสุธรามด้านจิตใจ จ, จริงๆท่านไม่หวังความภาสุจากสถานที่อยู่ที่อาศัย ปัจจัยต่างๆมากไปยิ่งกว่าความพออย่างชีวิตให้เป็นไปแต่ความมุ่งมั่นในธรรมนั้นล้นหัวใจนี่มันกลับโกงข้ามตรงนี้กับสมัยปัจจุบันความหวังทําล้นหัวใจมีที่ไหนแต่ความหวัง เรื่องปัจจัยทั้งสี่นี้ล้นหัวใจอาจมีได้เราเพียงพูดเพียงว่าอาจียกว่าทําทาถ้ำเอาไว้กดกดเอาไว <c oughs> <ciğim. S 2> ้อยู่ในที่ชุนมนมทนมากเท่าไหร่ก็ พัดเทียมกันกับนินทนหรือเหนือกว่าโลกเขาจะอีกจะตูปัจจัยพยทานที่เป็นมานั่นก็นเหมือนกันจห็นหาที่เต็ดไม่ได้มันเต็มห้องทุติดแต่ทำในใจนั้นแห้งผ่านี่ที่มันน่าสลดสังเวช นั้นว่าเราที่เป็นอยู่นี้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้บำบัดำเนินมาก่อนยังไม่เคยเห็นเลยสมัยที่ต่อแหมกูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินซึ่งต่อแหมกูอาจารย์มั่นเป็นต้นถ้าดูปัจจัทยทายทานที่เป็นมานั่นก็นเหมือนกันเป็นจะหาที่เต็ดไม่ได้มันเต็มห้องที่ติดแต่ทําในใจนั้นแห้งผ่า นี่แหละที่มันน่าก ร, ระโดดใจเลยปัจจานั้นว่าเราที่เป็นอยู่นี้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้บำตำเนินมาก่อนยังไม่เคยเห็นเลยสมัยที่ต่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาตำเนินซึ่งต่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นเรามาเห็นอย่างมัตาบรรจ่านี่ น่าจะว่าขัดข้องบ้างในบางอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผมแล้วมันเหลือปืนทุกสิ่งทุกอย่างปงปือมากนี่ก็เนื่องจากศรัทธาญาติโยมเขาโดยเราไม่ได้บงังคับมันมาเองเป็นเองอก็รู้หลาเอาก็าวิตกวิจารณ์ของกาน การปฏิบัติธรรมดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วทั้งๆสักสักลองเติมไปด้วยความเข้มเขยมทั้งนั้นวัตถุไม่จเจริญ <c oughs> แต่ธรรมเจริญอยู่ก็พอ ในอาศัยบางแดดบางฝนสถาน ท, ที่อยู่ทางจงกรมนั่งเปรี้ยงเป็นเป็นโตกเป็นเหวไปเพราะเดินจงกรมมากอาหารปัจจัพอเป็นไปเท่านั้นพอบ้างไม่พอบ้างแต่ทางอาหารของใจคือทำเต็มเปีเป่ยมอยู่เสมอ สติกัญญารักษาจิตใจรอบด้านไม่ว่าจะอยู่ในอิเดียบทใดเพราะฉะนั้นจิตของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเจ็นไม่ได้คิดไปเกี่ยวกับเรื่องมัทธุให้เสี่ยวเรเวมลามากยิ่งกว่าการระมัดระวงังภายา น, นจิตใจสมกับว่ารักษาตนหรือบำรุงจิตใจของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าเพาื่อรดผลผ่านเป็นลำดับขึ้นไปถึงขั้นสูงสุด สิ่งที่น่าพิจารณาอยู่มากสมบัติเงินทองในวัดหนึ่งหนึ่งมีจำนวนมากในทังพุทธกาลไม่มีแต่สมยัยปุวันนี้เป็นกี่สิบล้านหรือร้อยล้านแล้วก็ไม่สั่เนี่ยมันก็ผิดกันหนึ่งนี้จะว่าที่กันละปณญาสงสีเธอานี้สงอ้างตึก หาอพที่ดินที่ดอนเขาเช่าทำไรทำนาทำรัวทำสวนที่ธรณีสงก็มีดังที่ท่าที่ธรณีสงดังข้างพุทธการที่กันนาอะไรหากไม่ออกหน้าออกตาจนเหยียบย่ำทำลายส า, าถาปัรร์หรือเพศของพระหัวใจของพระใส้ใ จ, จนแหลกละเอียดไปอย่างทุกวันนี้ เป็นพ้องปัจจัยเหล่านี้อเป็นไปตามหลักพุทธการจริงๆแล้วมีไว้ทำหมัดนะก็จะมีแต่ทําเท่านั้นสั่งสมธรรมไม่ได้มาสั่งสมสิ่งเหล่านี้มีมากเพื่อนลายจะทําให้เป็นประโยชน์แก่โลกอะไรก็ว่างไปปลูกเพื่องโรงเรียนสร้งางสถานที่จูงมือทนให้รับความสะดวกสบายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เป็นสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลโรงเรียนสร้างมันไปหมดก็หมดมถ้านมีผู้ให้กินอยู่นี่มีผู้ให้ขบให้ฉันนี่แต่สละตายจกินแล้วมันก็ไม่ตายยินเหลือเฟือกลัวจะตายนั่นแหละวิริยะมันอ้วนแต่ทำมันทามีตัวก็กผอม หอมมากทีเดียวแต่ไม่ทราบว่าจะมีทําให้หอมด้วยนี้ก็ไม่ทราบนี่นหน้าคิดให้คิดไว้ทุกๆลูกทุกๆนามทุกๆองค์ที่มาอยู่ในสถานจริงแล้วไม่ได้พูดเพื่อการกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดแต่พูดตามหลักความจริงของศาสนาว่าผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาเฉพออ า, าอพะอย่างยิ่งนักบวชคือพระเหล่านี้ปฏิบัติอย่างไรจึงตรงตามศาสตร์ธรรมาสากยาบุ กากะยะบุตเป็นผู้ชำระสะสา ร, ารกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสสั่งสมวัตถุต่างๆเพื่อมาทำมีสารพัรพพดระเพยมิรยุโทรทัศเทวทัศโคงรายขามเต็มไปหมดมันก็เหมือนกับโลกเขาดีๆกิน ด, ด, ด, ด, ดีนอนก็แล้วแต่อยากจะตื่นเมื่อไหร่ยิ่งกว่าหมู ถือข้มาเมื่อไรก็ได้กินเพราะมีพู้ออกมาให้กินไลยลืมเนื้อดืมตัวเบี้ยแล้วดินเหนียมาติดบนหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนพาะกาสาพาดมาพาดเข้าในตัวแล้วก็เป็นพระยดใหญ่ไปแล้วยด น, นั้นแบละคือตัวี่เลพท่านกินไม่มียดยดอยู่ในใจยดสิ่งยดธรรม ยศสมาธิยศปัญญายศบิมุดนั่นเป็นเรื่องของท่าแท้คิดให้รอบข้อบทุกๆโองเราพูดเพื่อเป็นการเตือนใจสหรับพูดที่มาอยู่กับเราให้ได้รู้วิธีปฏิบัติอย่าให้เป็นไปอย่างที่ว่าด้วยเหตุนี้วัดเราจึงไม่ให้มีอย่างที่ว่านะ มีมม่เขาหมายไว้สาหรับถ้านเลยมีความจําเป็นนั่นนี่เล็กเล็กน้อยน้อยไปเท่านั้น ม, มากกว่านั้นถ้่หามันจําเป็นก็ยอมให้หมดไม่ได้สั้งหมือนเอาไว้มีความจําเป็นมีความจําเป็นแต่แต่สั้างหมืนเอาไว้อย่างนี้เราไม่ให้มีในหัวใจนอกจากไม่มีความจําเป็นก็ทิ้งไปงั้นความจำเป็นอย่างอื่นมีที่ไหนช่วยไปเลยเลย ไม่นลดละความเมตตาสงสารพระมันมีความเมตตาพระเสียสลับไม่ได้ใครจะเสียสลับได้ในโลกนี้พระหาความเมตตาไม่ได้พระใจตืดตืดจะดาใครจะเป็นผู้มีใจสว่างกระจ่างแจ้งใจกว้างใจกวา้างหมายนอกเหนือไปจาก้าแล้วเราถึางทําเป็นสติกาลังความสามารถของเราเท่าที่จะสูงข้อโลกได้แค่ไหนเราทำอย่างนั้นไป ไรายได้มานั้นไม่เคยคิดมาเพื่อคอบตัวแม้แต่สตางค์นึงถ้าเป็นเงินก็สตางค์นึ่งเราไม่เคยคิดเข้ามาในหัวใจเลยนอกใจคิดผลประโยชน์สาหรับผู้จำเป็นที่ควรจะรับการส่ง้อดเท่านัาา้นมันเปิดจยูตลอดเวลาจิตใจของนักปฏิบัติยามีสิ่งเหล่านี้ภายในจิตใจจะเป็นสิ่งที่ขีดขว้างรวงใจหลอกลอ่ลอเราให้ตกหลุต ก, ก, ก, กบอก่อ ตกนรกทั้งเป็นจนหน้ายามแก้ไขป <c> ฏ <oughs> ิบัติอย่านอนใจการพูดการจาอย่าให้มีความเพลิดเพลินความคลึกขนองอันเป็นการลืมเนื้อลืมตัวความประมาทขัดกับเพศของพระเพศของผู้ปฏิบัติอย่านิ่มนมงมัดระวังเสมอคาพูดคำจาที่แสดงออกต่อหมู่เพื่อน ในขนะที่มาเกี่ยวข้องกันโดยทาการทํางานก็ดีฉันน้าร้อนน้ําชาก็ดีต่างองค์ต่างน้ำมัดระวังรักษาใจของตัวเองอันนี้เพียงมาเดียวยาธาตุขันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแต่เรื่องกิเลสกับธรรมนั้นต้องหมุนกันอยู่เสมอนี่น่าจะประสบพบเห็นสมบัติอันล้นค่านี้เดียวว่ามหาสมบัติภายในใจ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 อันนี้แสดงอยู่ตลาดเวลาทั้งๆ ท, ที่เราเดินจังกรมมันก็วาดภาพกิเลส ข, ขึ้นมาจานได้สัญญามันหมายเรื่องอดีตที่เคยเห็นเคยได้ยินอะไรทางตาหูสมุกลิ้น ก, กายเดียวก็เรื่องรูปเสียงกลิ่นนวดเครื่องเครงผัดมากลายเป็นธรรมอารมณ์อยู่ภายในใจิตใจด้วยอํานาจของสัญญากับสังขารเป็นตัวการสำคัญมาปุงมาแต่อยู่ทั้งอยู่ในทางจังกลมก็ก็สร้างกิเลส เพราะขันหลอกท่างอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาภาพของกิเลสขึ้นแล้วแต่เราไม่ทราบว่าเป็นภาพของกิเลส<ม>หมายเรื่องอะไรปัญญาพอดีทั้งขันคิดตุงเรื่องอะไรนีน่ทุกขเวทนาความอัั้นตันใจหรือความฟุ้งซ่านของใจก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้เพราะสิ่งทั้งสองขันทั้งสองขันนี้มันไปกว้นเอาอยาพิษเข้ามาเัาหล่นแล้วจิตใจจะไม่กำลัรับได้หลาย เพราะถูกยาพิษที่ออกมาจากสัญญาที่ได้รับมาจากสัญญาสังขารปรงแต่งหลอกลวงตัวเองอยู่เสมอสังเกิดดูก็รู้นักปฏิบัติไม่รู้ได้ยังไง <c oughs> ต้องรู้ได้อย่างชัดๆตัวสัญญาตัวสังขารนี่สาคัญมากทีเดียวมันตน้องเป็นตำมารุนคุณคิดอยู่นั้นตลอดเวลา เอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติผมอยากเห็นอยากทราบอยากได้ยินผล่างการปฏิบัติของหมูนะ่คณะที่มาอยู่ด้วยและได้อบรมสั่งสอนเต็นระีดกำลังความสามารถไม่เคยมีลี้ลับในธรรมะบทใดนน่ยใดทั้งสูงต่างยาวละเอียดจนสุดความสามารถของตัวเองเปิดออกทุกแนี่ยทุกมุมทั้งภาคปฏิบัติและผลที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง ไม่เคยปิดบังไว้เลยลธรรมะที่กล่าวที่อธิบายให้หมู่เพื่อนทั้งหมดนี้มันเป็นโมฆะทรรไปหมดแล้วเลยหมู่เพื่อนจึงไม่สามารถจะรับไปปฏิบัติพราะให้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่แสดงบ้างนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกัน <c oughs> จิตใจของนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งอยาอ่อนแอบวกเปียบ ให้ไม่ได้ขาดกับหลักธรรมแย่งกับหลักธรรมเป็นฆาตศึกต่อธรรมความอ่อนแอในสิ่งที่ไม่ควรอ่อนแออันไหนก็ตามแต่คำว่าความอ่อนแอมันไม่ดีทางนั้นแต่มันจะเป็นปนทางปินธรรมะเป็นฆาตศึกธรรมะเข้มแข็งกว่าทางนั้นในขณะที่อ่อนแอต่อธรรมธรรมต้องเข้มแข็งกับสิ่งที่จะเป็นฆาตศึกต่อธรรมันได้ สำคัญ <c oughs> การปฏิบัติทางด้านจิตใจใมีความจริงจังต่องานของตนเสมอเรื่องท่านว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอย่ารอถับเปลี่ยนเมื่อล้ำเวลาขนาดไหนที่สมควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาฟาดลงไปปัญญาก็เพื่อจะแก้กิเลสอยู่ใน ห, หัวใจของเรานี้ สมาธิก็เพื่อจะกดหัวกิเลสให้มันหมอกลงไปภายในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องที่จะปราบีิเลสทั้งนั้นปัญญาเป็นสำคัญมากเราสังเกตดูเวลาเราตั้งใจพิจารณาสิ่งใดถ้ามันเป็นสัญญาอารมณ์ไปมากๆมันถลเอจะไยลออกนอกรูกนอกทางประจิ๋ให้ดีบเข้ามาทางสมาธิกดหัวกิเลสความฟุ้งซ่านนั้นด้วย สมถะอารมณ์แห่งสมถะคือความสงบคืออะไรนี่เนี่ยเคยอธิบายแล้วทําบทใดเป็นที่ถูกกับเจริบจิตใจของเราแล้วนําทําบทนั้นมาเป็นสมถะเป็นเครื่องอยู่ของใจบังคับจริงจังให้อยู่กับทําบทนั้นจริงๆเห่นกําหนดลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ใจมันกระเพื่อมออกไปใจมันผักมันดันออกไปคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสําคัญทิดผลักใสออกมาให้สังคารต้องพุกต้องปรุงอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สัญญาต้องหมายอย่างนั้นหมายนี้มันมีถึงกระั่เรื่องของกิเลสซึ่งหาความสงบไม่ได้ยิ่งกว่าลิงกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจิตใจจึงต้องเป็นเหมือนลิง <c oughs> เมืพิจารณาทางด้านปัญญาหถาบนึงขังจะแยกแยะดูอะไรไม่ได้เหตุได้ผลดูทางอัุยขาอริยภงปฏิกูลโสโครกก็ไมาได้ผลพิจารณาเรื่องอ น, นี้จังทุกขังอันตาก็ไม่ได้ผลถเลเอะถาลายไปเสียนแสดงว่าจิตนี้หิวโหยต่ออารมณ์อยู่มากให้ระงับจิตด้วยสมาธิคือด้วยสมาธิบังคับล ง, เ อ, งเอาจิงเอาจัง เมือ่อจิตมีความสงบแล้วพิจารณาปัญญาอีกบังคับไปเหมือนกันแต่พิจารณาได้คอยด้ความปในเหตุในผลแสดงว่าปัญญาทําหน้าที่เพราะมีความอิ่ตัวพอสมควรจากความสงบคือสมาธินั้นสังเกตตัวเองการพิจารณาการภาวนาไม่สังเก ต, ไ ม, เกตไม่ได้นะต้องสังเกตเราจะคอยเอาแต่อุอออบายจากครูบาอาจารย์ อ, าาอย่างเดียวเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เราเลย ก็หาความฉลาดไม่ได้ขณะใดที่ควรจะใช้ปัญญาเป็นที่เหมาะสมกับอายาสายของเราหรือขณะนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วพิจารณาจะพิจารณาแบบอนิจจังทุกขลังตาต่อตามพิจารณาสุภะสุพังการล้มหายตาจากการพัาดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เกิดความสรุปสังเราะซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นนอกจากจิตปีนเดียวกับธรรมไม่ยอมรับความจริง ร่างกายของเราเนี้มันมีอะไรเกิดมากี่ปีกี่เดือนมันเกิดมาจากไหนนี่ค้นหะมันเห็นเหตุเห็นผลเลยที่ว่าว่าเป็นเป็นเราเป็นท่านเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ไอพี่จะมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคนนี้รูปร่างนี้เอามาจากไหนค้นลงถึงธรรมชาติเดิมขึ้นมนคือธาตุเดิมขึ้มมนส่วนใหญ่ก็มีธาตุดิ่ง ผมค้นแล้วฟันหนังเนื้อเองนกระดูกเป็นต้นถึงมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราชัดๆนี่นี่ก็เป็นธาตุดินน้ำมีน้ําลายเป็นต้นก็เป็นธาตุน้ําธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกธาตุลมธาตุไฟมีไฟความร้อนที่ย่อยอาหารไปธาตที่ย่อยอาหารเป็นต้นนี่แล้วรวมส่วนใหญ่ของธาตุก็มีอยู่สี่ ใจเข้ามาครองตัวอยู่นั้นมาจับจองเอาแล้วก็ปักหลักปักเขดปักแดนเอาตั้งสมมุติขึ้นมาเตะสรรขึ้นมาว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นแข่งเป็นค้าเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะของเรามันตึงขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่มีใครบอกแม้แต่สัตว์ก็เป็นเองเพราะเป็นหลักธรรมชาติขี้เลสเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ภายในดิตใจโดยไม่ต้องมีโรงเริ่มโรงเรียนช้อนกันขี้เลสมันก็เป็นขี้เลสอยู่โดยตรงนั่นแหละ ทนี้้าทั้งสี่ที่เรารวมตัวกันอยู่นี้มีติตเท่าครองตัวและจับจองเอาไว้ทุกนี่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาวัยวะที่มีอยู่ในร่างอันนี้นั่นปรากฏตัวมากี่ปีตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงวันนี้ยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเราหลงกลรวงของกิเลสว่าเราเป็นเราเราเป็นคน เป็นสัตว์เป็นเราเป็นท่านมาตั้งแต่น้นจนมาะทั่งถึงบัดนี้ทั้งๆที่นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นตามหลักธรรมชาติเดิมของเขาคือความจริงแท้แล้วมาเจอแสังฟันยอถูกลวงจากกิเลสมานานเท่าไหร่อาสมมุติอันนี้ถ้าหลายตัวลงไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเราจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลได้อีกไหมจนดินก็ลงมาเป็นดินส่วนน้ำก็ลงมาเป็นน้ำจนลมก็เปลมไฟก็เป็นไฟ ตามธาตุเดิมมื่อก่อแล้วเราจะเรียกไฟว่าเป็นตัดเป็นดวงคนได้ไหมลมยินเหล่านี้เป็นตัดเป็คนได้ไมเรียกไม่ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีเวลาเข้ามาอยู่นี้ทําไมมาเรียกะมันก็เป็นธาตุเดิมนั้นแท้ๆพิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้เรียกว่าปัญญามีใจเท่านั้นพายเคลื่อนไหวไปมาได้คือธาตุแท้ๆมันก็เหมือน ก้อนดินก้อนหนึ่งนั่นดินนี้หลังจากอันนี้ลงไปก็เป็นอยู่ดินตามเลยแต่เรามาว่าเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนขั่งปั่นนี้ทุกกิเลสโกโหกมาจนปั่นนี้ยังจะกกโกโลโกหกไปอีกตลอดจนมาทั้งวันตากในอัตภาพนีนะ้ในก้อนธาตุก้อนหนี้ถ้าเราเรียนไม่ไม่จบสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสแล้ว จะต้องแบกคําว่าสัตว์ว่บุคคลว่าเราว่าเขาไปจนกันทั่งวันตา่ายแม้อันนี้สลายตัวลงไปตามความจริงของเขาแต่อุปท า, านความยึดมั่นก็ไม่สลายจะฝังอยู่ภายในจิตเข้าไปเข้าสู่ตื่นที่วิญญาณในอัตภาพใดร่างใดก็จะไปอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นแบกหาหมุดนั้นมาเป็นเราอีกเยไม่มีสิ้นสุดนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างใน หเห็นตามความจริงซ้ําๆำซากๆเอาจนกระทั่งเข้าใจเสริมถึงจิตแล้วไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยเองมันมีใครบังคับจะปล่อยได้นอกจากปัญญาเป็นผู้แทนทะลุแล้วปล่อยได้ป ล, ปล่อยเองปล่อยเองทั้งนั้นเข้าใจตรงไหนปล่อยปล่อยทาง จ, งจริงสอนให้พิจารณาเพื่อให้เข้าใจเข้าใจแล้วจะจะได้ปล่อยเพราะสิ่งเหล่านี้มันปลอมปลอมจากความจริง ลรวบรรีนเกลียวกับความจริงอยู่กับความปลองทั้งปลองทั้งวันทั้งคืนยืนเดินดนั่งนอ น, น, นเราไม่ทราบจริงตั้งพิจารณาถ้าพูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องปฏิกรลโศเข้าในเดียวที่มันก็มีแต่ขี้เต็มตัวขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้ฟันขี้ใครผ่านออกเต็มไปเลยขี้เข้าไปภายใ น, นอีกก็ยิ่งเต็มเต็ม มีอะไรเป็นของเสือของหนังหนังบางๆหออ่อเนั้นบางๆเท่านั้นสติปัญญาแทงมาทะลุเป็นก็ได้เหลือถ้าเราใช้สติปัญญาแทงไม่จริงสติปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้ามีไว้เพื่อแทงหาความจริงของสิ่งทั้งหลายมีขันห้านี้เป็นต้นเท่า น, นั้นปัญญาต้องแจงกินไม่ได้สําหรับใช้ ขุดค้นทิ่มแทงลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เจ้าจอมปลอมมันจองจับจองเอาไว้มันเห็นทัดเปลี่ยนแจงแจ้งแล้วมันจะปล่อยตัวเองปล่อยมากปล่อยน้อยอุปทานซึ่งเป็นของหนักรวมกันแล้วยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนี่เมื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจนแล้วก็ปล่อยลงไปโดยลำหนักดับติตก็ดีดขึ้นดีดขึ้นจนกระทั่งดีดขึ้นเป็ น, ป น, ปนอิสระของตัวเอง นั่นเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เอาให้จริงให้จังให้มีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติอยากตลอเนีละเราอยากไปคาดน้นขาดนี้ว่าที่ชนนจะดีที่นี่จะดียิ่งกว่าในจดจ่อลงไปในวงสัตธรรมที่อธิบายมาแล้วสักขูนนี่เป็นหลักใหญ่อยู่ที่ไหนต้องเอาหลักนี้เป็นหลักสมรออภูมิเป็นสนามรบได้เหลืออยู่ตรงนี้แหละ มาอยู่ที่อืขนให้ เ, เห็นรับเจต่พรพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสวากขาตัวก็ตาธรรมูตรัสไว้ชอบทุกสิ่งแล้วสอนไว้ชอบทุกสิ่งแล้วมียานิโกเป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกปุโรับจนกระทั่งพ้นจากทุกโดยสิ่งเชิได้โดยไม่ต้องสงสัยเนพระเจะสงสัยที่ไหนอีกที่เล ไม่มีใครมาประกาศสอนมันทำไมมันถึงได้เป็นครูของเราพระพุทธเจ้ารทารงอุตส่าห์สอนจนแทบล้มแทบตายทำไมทำพุทธเจ้ามันมีฤทธิ์มีเดชเหนือกิเลส จ, จะได้มันเป็นอย่างไงในวงปฏิบัติของเรานี่ควรจะได้ทำเป็นเครื่องเหนือกิเลส ป, ประหารทหารกิเลสให้หลุดลายไปจากใจ กิเลไม่มีครูเมียาจารย์เรามีครูเมียาจารย์เป็นผู้รวมสั่งสอนมาด้วยดีแล้วทำไมต่อสู้กับกิเลสที่ไม่มี ร, มรงเริ่มโรงเรียนก็สู้เขาไม่ได้แพ้เขาอย่างหลุดดลุ่ยตลอดเหลานี่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ขันตอนก็ต้องฟัดต้องเหยียงกันบ้างเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันเคยเรืองอํานาจมานานแล้วเราจะให้มันอยู่ใต้อํานาจมันก็ต้องเอากันเต็มเหนี่ยวนั่นเอาเป็นเอาตายขาว้าีเดียวถึงคาวจะสละอสระลงไปสละเพื่อสาระคุณไม่เป็นไรมันเห็นเหตุเห็นผลนใ น, ในใจิตใจมันสวางกระจ่างแจ้งขึ้นใ น, ในใจิตใจอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรืออย่างนี้เหรือ นั่นคือรู้แท้อย่างแท้เป็นลาดับลาดับไปถ้าประจากใจแล้วมันต้องอุทานจนไดออ้ขนาดนี้เหรือรู้แล้วหรือที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทุกข์ในขันทุกข์ในจิตรู้แล้วหรือเนี่ยสมมติไทยตัวยึดตัวสำคัญมั่นหมายคืออะไรเหนก็นรู้ในขณนะไม่พ้นปัญญาไปได้เอาให้จรินให้จัิ วราวาจาที่แบบนี้อาจจะทำทุกวันนี้มีน้อยมากเลยนะจะไม่มีถ้าปฏิบัติมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่จะหาสาระสำคัญจริงๆนำมาอวดเพื่อนผูงด้วยกันตามความจริงที่รู้เห็นมานั้นมีจานวนน้อยมากอนีก็พ่อเห็นไร ก็เพราะวัตถุเหยียบย่าทําลายนั่นเองมันใช้อะไรนะวัตถุตัวสาคัญเหยียบย่ําทํำลายมากวัตถุเจริญเท่าไหรจิตใจยิ่งเสื่อมลงมากเสื่อมลงมากไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นอย่างนั้นอยน่างนี้กระดาษเขาเสกขึ้นมาเขาเป่าขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นเงินก็เผาหัวใจพระเราจนได้ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ากระดาษ เอาไปม้วนดวยสู่กระเม็นเขียวจะตายแบบนั้นจะหลงของปลอมนั้นจับเร็วจิตพระจิตมันปลอมอู่แล้วเมื่อของปลอมมาผ่านมันก็ติดกันได้ไง่ายเพราะนังนไม่มีความจริงเมื่อปฏิบัติจิตให้ถึงความจริงเป็นขั้นๆลงไปแล้วของจริงอันใดที่ผ่านเข้ามาจะยึดทันทีทันทีส่วนของปลอมฉลัดพับๆออกน่ อิท ด, ดวงเดียวนี่แหละหักต่างกันเบางต้นหนักบ้างหนักก็ทนนี่แบกบทุกข์เราต้งแบกมาได้ทั้งกับตั้งกันตั้งแต่อัตภาพนี้ก่อทุกข์ขนาดไหนอิทิมันก่อเรื่องก่อลายตลอดเวลาจะไม่ทุกข์ได้หรือมนุษย์เราเพราะจิตเป็นผู้ก่อเรื่องในวงขันนี่แหละมันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างดีดิมได้สแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาแลสแดงออกม า, ม, ามากน้อยก็ เป็นการถึกทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วใครจะไม่แบกกองทุกข์เรายังไม่เห็นโทษในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหาคุณนัทธรรมที่ไหนมีก็เทิเป็นเม็ดเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฟูงฟัง ให้เข้า อ, อกเข้าใจพูดปฏิบัติเราไม่อยากให้เราไม่อยากเส้นมีแต่ลมแต่แรงหาตัวจริงไม่มีเดินจงกมก็เดินแบบยมๆมแรงแรงนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความงกงกงว่าสงบงกงานปราบกฏอับทำขึ้นมาเพราะความเพียรในท่าต่างๆไม่ปรากฏนี่ไล้ทำไงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็ เอ้นี้สายเก่ามาใช้มันก็เป็นเรื่องนี้สายเก่าอันเก่านั่นแหละไม่ได้ของใหม่อะไรขึ้นมาแปลกจิตแปลกใจตัวเองแล้วไปยิ่งทาให้ท้อถอยลงทุกวันทุกวันต่อไปคาถาอาคมสิกุวาจาันแนะนำสั่งสอนโพ่นใสหัวใจทุกวันทุกวันก็เลยกลายเป็นน้าท่าได้ไม่ได้เป็นน้ํายาเพราะกิเลสมันชนะกิเลสมันครอบหัวใจเนะน้ําอัดน้ําทําเข้าไม่ถึง เหมือนอย่างไฟมนนุ่นแรงน้ำไม่พอสู้ไม่ได้เหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่านั้นเคยพูดแล้วเรื่องทุกข์ที่เกิดเพราะอำนาจของยิ่กนี้ทุกข์มากทุกข์อย่างฝังจมทุกข์ทุกเพศทุกไปทุกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหน้าก็คือยี่หล็กทําให้คนทุกข์ ทำให้สัตว์ทุกอยู่บนหัวใจของคนทุกประเภทในเหลือกชาติชั้นวันณะใดมันอยู่บนหัวใจกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเพราะกิเลสทำผิดนี่เราบวชก็มาเพื่อจะแก้พิดแก้ภัยอันนี้ด้วยความขายันหมั่นเพียรทำไมเราจะไม่สามารถแก้กระได้มากน้อยเราก็เห็นคุณค่า วความเปลี่ยนขเาเนจิตเคยามาบุญขุนมัวอจยจู่ตลอดเวลาแต่ได้มาเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการภาวนานี่เราก็เห็นคุณค่า ค, ควรจะขยอบขึ้นไปอีกโดยลแบบําดับคติปัญญาท่านนำมาทช้มันก็เกิดคิดให้เกิดก็เกิดชอบคิดอ่านใจตองเรื่องนั้นเรื่องนี้ในถ่านในขันแยกๆเดี๋ยวก็แยกขึ้นมาให้เป็นคติเตือนใจเดี๋ยวแยกขึ้นมา เดี๋ยวยับขึ้นมาถ้ได้คติอยู่เรื่อยเนั่นเรียกว่าปัญญาเพราะการค้นคว้าหากไปเจอจนได้าบางต้นก็ต้องช้ายอย่างนั้นซะก่อนปัญญาเมื่อปัญญาก็เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นผลของตัวที่คิดคน้นปัญญาก็มีความขยันหมั่นเพียรไปจนกลายเป็นปัญญาแต่มรรคไปได้ กิเลสเบาไปเบาไปความเพียรก็หนักขึ้นเลยลำหนักขึ้นหน่จนกระทั่งในตัวของเรามีตั้งแต่ความเพียรความจะเอาความจะสู้ท่าเดียวความขี้เกียจขี้ข้านหายหน้าไปหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเบาลงเท่าไรปญญา่ปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรยิ่งหนักหน้ากิเลสเบาลงเท่าไรท่านก็ยิ่งหนักข้อคุณไปทุกทีทุกทีเอาจนปราบได้อยู่ไม่มีเลืยเหลือนั่นที่นี่ ความทุกข์ที่เคยเปกกดท่วงนในอะไรหัวใจเพราะพิษของกิเลสมันสร้างขึ้นมาก็เห็นด้อย่างชัดเจนแล้วว่าเสี่ยงไม่มีเหลื อ, อจิตจึงว่างไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่าทำลายเหมือนอย่างแต่ก่อนอเพราะวางหมดแล้วโดยปัญญาปัญญาที่เจนารู้แจ้งเห็จริงแล้ววางหมดปล่อยหมดแล้วก็ว่างอันจะจิต ว่างจากพิจิตรัญหาอัศรซึ่งเคยเป็นพิษเป็นภัยมาจากก่อนความว่างเลยเป็นธรรมทั้งดวงแต่มีตัวเรื่องของขันตอนนั้น่ะมันดิ่งของอยู่ตามสภาพของมันเหมือนหางจิงเหลนงขันลุกดิกดุกดิกลุกดิกพอถึงการของมันที่จะสลายตัวไม่มีความหมายอะไรตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายเส้นรูปมันก็ไม่ทราบความหมายว่าตัวเป็นรูปเวทนา ที่มีอยู่ในขันนี้ก็ไม่ทราบความหมายว่าตเนเป็นเบทนาสัญญาทางขานวิญญาณก็เหมือนกันมันก็คิดกับปรงไปงนั้นปรุงไปพร้อมดับไปพร้อมปรุงไปขนาดไหนก็ดับปัญญามันวาดต่ทับมันก็ดับไปพร้อมวิญญาณความรับผ่านที่อย่ตรงต่างๆก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าตัวการถัดดันดูภายใหม่เจ้าตัวการนั้นคือกิเลสอวิชชานั่นเองมันหมด ขันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือของถังแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของยิเละมันใช้เอาเท่าจนแหลกพอทำว่างเปล่าได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจอาศัยขันนั่นแหละทำประโยชน์ให้โลกต่อไปเชื่อนกบพูดเสีเจ้าประกาศภาาประกาศศาสนาภษาวกสั่งสอนทมแจ่ พุทธบริษัทสัตว์โล ก, กทั่วไปก็อาศัยธาอาศัยขันนี่เมื่อยังคลองตัวอยู่กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปแล้วขันเหล่านี้พอสุจิเลตายไปขันก็เป็นเครื่องมือของธรรมเมืเม่อขันหมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้ขันก็สลายตัวลงไปตามสภาพอย่างนี้จังทุกข์ของหน้าตายซึ่งเป็นความสมมุติก็ต้องเป็นไปตามสมมุติ ขันก็เป็นสมมติในจังทุกของอาาังหนาตาก็เป็นสมมุติลงก็ตามสภาพแห่งความคุณของเขาพูุทธบริสุทธิ์แล้วมีปัญหาอะไรนี่นั่นแหละต้หายห่วงพานังประมังสุ ข, ขงังหาที่ไหนอืกิเลสบ้านแต่หัวใจแล้วก็นอยู่แล้วแต่หาพิภามที่ไหนอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งหางเมื่อกี้กิเลส กองทุ์มันดับไปแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนหลงลวหาถ้ารู้แล้วไม่หานิพพานังระมังสุด ข, ขังเป็นอนันตการตลอดการไปเลยนิพพานเที่ยงวะนี่ยก็จิดถึงความอิ่มตัวเต็มที่แล้วต่อยางโดยสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้ว นั้นใครจะว่าอะไรต่อไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่หมดปัญหาโดยสิ้เนเชิงแล้จะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกล่ะจะเป็นจะอยู่จะตายก็หมดปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะมีไม่ได้อยู่ในขายย่ายของปัญหาเหมือนโลก ป, ปัญหาโลกแตกนี้เอาเท่านั้นธรรมญาอธิบายเพื่อนฟัง